สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเยซูหนึ่งร้อยแปดสิบสามตอนคําอุปมาเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้านั้นแสนชื่นใจลูกาบทที่สิบแปดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่แปดนะครับพี่น้องครับคาอุปมาเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้ามีอยู่สี่เรื่องสั้นๆนะครับแต่ว่าสีเรื่องสั้นๆนี้ก็จะขยายเป็นสี่วันนะครับคำอุปมา แรกเลยก็เกี่ยวข้องกับผู้พิพากษาอธรรมครับคาอุปมาที่สองก็เกี่ยวข้องกับกับอุปมาของฝ่ายสีและคนเก็บภาษีอุปมาที่สามก็คือคนงานในสวนองุ่นและอุปมาที่สี่ก็คือเรื่องเงินสิทธิ์มาพี่น้องครับกับอุปมาเรื่องหญิงไม้และผู้พิพากษานั้นเป็นตอนแรกของวันนี้ก็คือเกี่ยวกับผู้พิพากษาธรรมซึ่งปรากฏในลูกาบทที่แปดข้อหนึ่งถึงข้อแปดนะครับ ลูกาบทที่สิบแปดข้อหนึ่งถึงข้อแปดโปรดฟังตอนะของพระเจ้าพระองค์ตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังเพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนระอาใจพระองค์ตรัสว่าในนครหนึ่งมีผู้พิาพากษาคนหนึ่งที่ไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าและมิได้เห็นแก่มนุษย์ในนครนั้นมีหญิงไ้คนหนึ่งมาหาผู้พิาพากษาผู้นั้นพูดว่า ขอให้ความยุติธรรมแก่ข้าพเจ้าในการสู้ความเถิดฝ่ายผู้ภาคษานั้นไม่ยอมทำจนช้านานแต่ภายหลังเขานึกในใจว่าแม้ว่าเราไม่ยำเกรงข้าเจ้าและไม่เห็นแก่นุษแต่เพราะไม่ไม่คนนี้มากวนเราให้ลบาบากเราจะให้ความยุติธรรมแก่นางเพื่อมิให้นางมารบกวนบ่อยๆให้เราลำพานใจและองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัว่า จงฟังคําที่ผู้พิาพากษาอักธรรมคนนี้ได้พูดพระเจ้าจะไม่ทรงประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ผู้ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนหรือพระองค์จะอดผะไทยไว้ช้านานหรือเราบอกท่านหลายว่ารงจะทรงประทานความยุติธรรมให้เขาโดยเร็วแต่เมื่อบุตรมนุษย์มาท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือ ท่า น, นครับนี่คือพระคุณของพระเจ้าที่พระเยซูได้ทรงสอนกับอุปมานี้เพื่อที่ให้เราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้านั้นอยู่ตรงนันข้ามกับผู้พิพากษาอาธรรมคนนี้ในขณะที่พระเยซูทรงตัตเกเตือนสาวกของพระองค์ในลูกาบทที่17เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูในข้อที่หนึ่งนะครับทําอุปมานี้พระเยซูทรตงเล่า เพื่อสอนพวกเขาได้อธิษฐานอยู่เสมอจงเฝ้าระวังอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนระอาใจไหครับเมื่อพระเยซูพูดคำนี้พระเยซูยังไม่ได้สิ้นพระชนนะครับและยังไม่ได้เสด็จขึ้นไปหาพระบิดาของพระองค์บนสวรรค์เพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากสำหรับเหล่าสาวกของพระองค์ในขณะนั้นที่จะตีความหมายเพราะฉะนะและคาสั่งสอนของพระองค์เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สอง แต่างนัตามครับเมื่อเราอ่านพระชนม์พระเจ้าตอนนี้นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้แสดงให้เราได้ทราบโดยศสาสนศาสตร์หรือหลักคําสอนที่เราได้เรียนมาว่าการเสด็จมาของพระเยซูนั้นมีสองขั้งด้วยกันครับเสด็จมาขั้งแรกก็คือเสด็จมาบังเกิดในลางย่าซึ่งเป็นพระกุณของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากและยังมีการเสด็จมาครั้งที่สองครับเป็นการเสด็จมาในลักษณะของ ผู้ที่จะมาพิพากษามาตัดสินนะครับมารับเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วได้ไปอยู่กับพระองค์นะครับในขณะนั้นเป็นการเสด็จมาที่ยิ่งใหญ่มากครับไม่ใช่เป็นการเสด็จมาที่ต่ําต้อยในลานยาแต่จะเป็นการรอยลงมาจากเบื้องบนจากฟ้าขึ้นหวานครับที่นริงครับนี่คือความหวังของพวกเราสาวกเสียนว่ามีวันหนึ่ง เราจะเป็นขึ้นมาจากความตายครับและเราจะร่วมปกครองร่วมพิพากษาพร้อมกันกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ช่วยให้รอดพระเมสสิยาของเราในข้อคำในข้อคมพีตอนนี้นั้นเป็นคําอุปมาพระเจ้าพระเยซูจรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์เกี่ยวกับผู้พิพากษาในเหมืองคนหนึ่งที่ไม่ยำเกรนพระเจ้าในข้อพีใช้คําว่าผู้พิพากษาธรรมนะครับผู้พิพากษาธรรมตัว น, นี้ เป็นผู้พิพากษาที่ไม่ดีไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของประชาชนก็คือสิทธิตามกฎหมายเขาไม่ทำตามข้อบัญคัของพระเจ้าหรือขอบผู้พิพากษาในพ้ะเจรพระเจ้านะครับอบพยพบทที่23ข้อที่6ถึงข้อที่8ใครที่เป็นนักกฎหมายใคยที่เป็นผู้พิพากษานะครับจะต้องจำพระองคพีข้อนี้ไว้ให้ดีนะครับอบพยพบทที่23ข้อ6ถึงข้อ8 เจ้าอย่าบิดเบือนทำพิพากษาให้ผิดไปจากความยุติธรรมที่คนจนควรได้รับในคดีของเขาเจ้าจงหลีกให้ห่างไกลจากการใส่ความคนอื่นอย่าประหารชีวิตคนที่ปราศจากความผิดและคนสัตธรรมเพราะเราจะไม่ยกโทษให้คนอธรรมอย่ารับสินบนเลยเพราะว่าสินบนทําให้คนตาดีกลายเป็นคนตาบอดไปและอาจพลิกคดีของคนชอบธทำเสียได้ อันนี้คือข้อมูลที่ผมปากไปนะครับให้พี่น้องที่เป็นทนายความเป็นนักกฎหมายเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไม่ว่าจะเป็นอัยการผู้พิพากษาเป็นทนายความก็ดีนะครับเป็นนักกฎหมายก็ดีพี่น้องครับนี่คือพระเจ้าอระพยาที่ยี่สิบสาข้อที่หกถึงข้อที่แปดครับผู้วิพากษานั้นเป็นผู้ที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อปกป้องคนยากจนครับคนที่ปราศจากผู้ช่วยเหลือ และหญิงไม้ที่ไม่มีโอกาสผู้ภาคภาษาในคําอุปประมาณนี้ปฏิเสธที่จะช่วยผู้หญิงไม้ที่มาหาเขาหลายท้งแล้วเพื่อขอความช่วยเหลือจากเขาขอให้ความยุติธรแก่ข้าพเจ้าในการสู้ความเทิดเธอขอร้องอย่างนี้ในข้อสามครับในที่สุดเขาก็ช่วยเธอไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนใจดีนะครับแต่เพราะว่าเขาเสียหน้ า, าครับในข้อที่ห้ากล่าวว่าผู้ภาคภาษาตกลงใจใจช่วยเธอ พราะเธอมารบกวนบ่อยๆความหมายที่แท้จริงของภาษาเดิมของข้อนี้นะครับก็คือว่าพูดภาษาคนเนี่ยก็เสียหน้าครับเสียหน้าเสียหน้าพ่อะครับเสียหน้าเพราะเรื่องในกรณีของเธอที่มาขอที่มาอ้อนวอนมารบกวนบ่อยๆพี่น้องครับแม่แต่ผู้ภาษาคนนี้นะครับซึ่งเป็นผู้ภาษาอารมนะครับผู้ภาษาที่ไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่น ไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าและก็ไม่ได้เห็นแก่มนุษย์นะครับก็ยังคิดอย่างนี้ครับเขาลึกในใจว่าแม้ว่าเราไม่ยอมเกรงพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์แต่เพราะแม่ม้ม้คนนี้มารบกวนเราทําให้เราเสียหน้านะครับทําให้เราเสียหน้าเราจะให้ความผิดธรรมแก่นางก็แล้วกันเพื่อไม่ให้นางมารบกวนซื้อความําคาญครับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้เราเห็นว่าพระเยซูนั้นได้ทรง ให้กำลังใจพวกเราครับซึ่งเป็นพืชเปลี่ยนนะครับให้เราเพียรวิงวอนนะครับให้เราอุดสาหาในการทูลขอแต่ในขณะเดียวกันครับเราไม่ได้ทูลขอกับผู้พภากชาธรรมนะครับแต่เราทูลขอกับใครครับพระเจ้าผู้ทรงพระคุณและพระคุณของพระเจ้านั้นแสนชื่นใจน้องครับคนทั่วโลกและคนในประวัติศาสตร์ ได้บอกกับพวกเราว่าพระคุณของพระเจ้านั้น a m a เม n ิ่งมากเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากแสนชื่นใจมากทำให้ชีวิตของเราเนี่ยได้มีความชุ่มฉ่ำมากนั่นคือพระคุณของพระเจ้าพระคุณแปลว่าสิ่งที่เราทั้งหลายได้รับโดยไม่สมควรพี่น้องครับโปรดฟัคขั้งหนึ่งพระคุณหมายถึงสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าอย่างไม่สมควรนี่ครับด้วยเหตุนี้เองนะครับ คำสอนต่อไปเมื่อพระเยซูทรงอธิบายคาอุปมานี้เราสามารถเห็นได้ว่าพระเยซูนั้นได้เล่าคําอุปมากล่าวถึงสิ่งตรงข้ามครับพระเยซูมักใช้ตัวอย่างที่ไม่ดีเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อสอนความจริงด้านจิตวิญญาณที่ดีในที่สุดนักเราเห็นว่าผู้พิพากษาธรรมคนนี้ก็ได้ช่วยผู้หญิงคนนั้นในทางตรงนันข้ามครับพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาด้วยเช่นเดียวกัน แต่พระเจ้าไม่ได้เป็นผู้พากษาที่ต้องการเอาหน้านะครับหรือกลัวเสียหน้าหรือเป็นผู้พากษาที่ไม่สนใจนะครับไม่สนใจมิเห็นแก่หน้ามนุษย์นะครับแต่จับกันครับพระเยซูทรงเป็นผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าพระเยซูทรงรักมนุษย์ทุกคนพระเยซูทรงเป็นผู้ที่ฟังคําร้องทูลของเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าทั้งแล้วครั้งเล่าทั้งกลางวันและกลางคืนครับพี่น้องครับ หาเลือู้ยาขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานภาพไหนก็นแล้วแต่เมื่อเราวิงวอนพระองค์โปร่งทรงสดับฟังคาอธิษฐานของเราครั้งแล้วครั้งเล่าโปร่งทรงฟังคําทูลขอของคริสต์ที่ร้องทูลต่อบโปรงครั้งแล้วครั้งเล่าเวลาที่เรากุ้มใจเวลาที่เรามีปัญหาเวลาที่เรารู้สึกว่ามีอุปสรรคมากมายในชีวิตของเราหรือว่าเราเจอภัยมรสุมเราเจอสิ่งต่างที่เข้ามาโถมถาเข้ามาในชีวิตของเรา พี่น้องครับพระเยซูเป็นผู้ที่ฟังคำอธิษฐานฟังคำทูลขอของเราครับทั้งกลางวันและกลางคืนนี่คือพระคุณของพระเจ้างันแสนชื่นใจแสนชิ่นใจมากครับถามว่าทำไมครับถามว่าทำไมทาไมพระองค์ถึงมีพระคุณกับเรามากขนาดนี้คำตอบก็คือพระเจ้าของเราทรงรักเราอย่างยิ่งครับตรง่งมิได้ตอบคำทูลที่ลากช้าเหมือนกับที่ ผู้พิพากษาทำคนรรนั้นคําตอบอาจจะไม่เป็นอย่างที่คนนั้นต้องการแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาที่ฉลาดและยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้พิพากษาทั้งหลายโปรดทรงทรงาบครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะนําเรียนเสนอให้พี่น้องได้มีโอกาสให้ควรวพิจารณาในเช้าวนันนี้ขอพระเจ้าได้สถิตอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับเราเห็นว่าในปราชญ์นะครับคริสเตียน หลังจากศตวรรษที่สามนะครับหลังจากที่พระเยซูทรงชิ้นพชนแล้วนะครับคริสเตียนก่อนศตวรรษที่สามนั้นเขาถูกข่มเหงอยางหนักมากแต่หลังศตวรรษที่สามนั้นพวกเขาก็ได้สถาปนาเป็นอาณาจักรที่เป็นคริสเตียนนะครับโดยกษัตริย์คอนสแตนตินนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับคริสเตียนตั้งแต่พระเยซูชิ้นพชนไปถึงศตวรรษที่สามนั้นเขาถูกข่มเหงอย่างหนักครับ นะครับและสิ่งที่สําคัญก็คือว huh. ่าเขาจะต้องรักษาความเชื่อนะครับรักษาความเชื่อให้ดีรักษาความเชื่อด้วยความพากเพียรรักษาความเชื่อด้วยการเป็นการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าที่เข้ามาในชีวิตของเขานะครับทําให้พระคุณของพระเจ้านั้นทําให้เราสามารถที่จะยืนจากเข้มแข็งได้เพราะฉะนั้นการอลึกถึงพระคุณของพระเจ้าบ่อยๆนะครับ การลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำให้เราแลวเราได้รับอย่างไม่สมควรได้รับนะครับนี่คือสิ่งอัศจรรย์นี่คือสิ่งที่แปลกประหลาดใจมากอเมซิ่งนะครับและนี่คือพระคุณของพระเจ้าครับขอพระเจ้าช่วยพี่น้องที่รับทุกท่านให้ได้รับพระคุณของพระเจ้านะครับในวันพรุ่งนี้เราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งในคำอุปมาเรื่องที่สองอเมน